บัดนี้จากสแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในกายานุปัสนาสติปฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูอยู่ที่กายของตนในข้อต่อไปนั้นทรงใช้คำว่าธาตุปภะคือหมวดที่แบ่งแยกร่างกายออกเป็นธาต ทั้งสี่ประการคือดินน้ำลมไฟโดยทรงสอในให้ผู้ปฏิบัติกำหนดพินิยพิจารณาว่าร่างกายของบุคคลเรานั้นเมื่อแยกออกเป็นส่วนๆแล้วก็จะกลายเป็นกองของน้ำของดินของลมของไฟอุปมาเหมือนกับคนค่าโครหรือลูกน้องของคนข้าโค ฆ่าโคแล้วก็ํำแหละแยกชิ้นส่วนต่างๆของโคไปกองไว้เป็นหนังกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งเป็นต้นแล้วก็วางกระ จ, กกระจายไว้ในที่ต่างๆเ <c oughs> มื่อคนเดินไปมองดูอยู่ในสถานที่นั้นก็จะหาตัวโคไม่เจอมันจะมีแต่เนื้อโคมีแต่เขาโค มีแต่หนังโคมีแต่กระดูกโคเป็นตนจันใดก็ดีร่างกายของบุคคลเราซึ่งมีการกําหนดหมายมีการผูกพันไว้ด้วยความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นของเราบ้างเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเป็นตัวตนของเราบ้างโดมหน้าตัญหามานะทิฐินั้นแต่จริงแล้วเมื่อแยกออกไป ก็หาความเป็นเราไม่ได้ความเป็นของเราไม่ได้และแม้ความเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ได้การจำแนกในลักษณะนี้อันที่จริงก็คือการจำแนกแนวเดียวกับปฏิกูและประภะแต่ปฏิกูละประภะนั้นเป็นการจำแนกในชิ้นส่วนๆที่เรียกว่าอาการทั้ง32สส่วนที่เป็นลมกับไฟไม่ได้พูดเอาไว้ ผู้เฉพาะส่วนที่เป็นดินกนับน้ําพอมาถึงธาตุทั้งสประการก็จําแนกกระจายออกไปเต็มรูปทั้งดินน้ํามลมไฟคำวมาธาตุในความหมายที่สูงชี้แจงเฉพาะในประสโยคต่างๆนั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายถอนความยึดติดด้วยอํานาจตัณหามาณังกล่าวเท่านั้นไม่ใช่เป็นการจําแนกออกไป โดยพิสดารซึ่งถ้าหากว่าธรรมเช่นนั้นก็เป็นการกระทําในระดับสูงคือระดับอภิธรรมพอเมื่อถึงระดับของอภิธรรมแล้วจะเป็นการย่อยออกไปโดยละเอียดแต่ในชั้นนี้พึงสังเกตว่าแยกออกเป็น4ส่วนเท่านั้นเองแต่บางตอนก็ทรงแยกออกเป็น6ส่วนทำไมบางแห่งจึงแยกเป็น4บางแห่งจึงแยกเป็น6 พระวิญญาณธาตุกับอากาศธาตุเป็นธาตุที่ออกจละเอียดยากต่อการทำความเข้าใจในตอนต้นดังนั้นจึงทรงสแสดงไว้ในส่วนของอรูกรรมฐานซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติผ่านอารมณ์ของสมถะกรรมฐานทั้งสามสิหกข้อไปแล้วคือสามสิบข้อข้อใดข้อหนึ่งไปแล้ว ก็จะขึ้นไปในส่วนของอารูปกรรมฐ า, านอีกสี่ข้อก็รวมเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐ า, าน40สข้ออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุจึงขึ้นไปอยู่ข้างบนนุ่นก็หในขณะนั้นผู้ปฏิบัติมีความสงบมีความประณีตมากพอที่จะพิจารณาเห็นได้ในชั้นนี้จึ ง, จงทรงจำแนกแสดงเป็นรูปของธาตุดินโดยกำหนดลักษณะเด่นไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริง ลักษณะที่แท้จริงนั้นก็คงผสมกันอยู่นั่นเองคือลักษณะใดก็ตามที่มีอาการแข่นแข็งคือสามารถจับต้องได้รูปครั้งได้ซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้เช่นผมขนเล็บความหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าวเป็นต้นตลอดทั้งมันสมองเช่นได้ว่าในส่วนนี้มีอาการแข่นแข็ง ต้องได้ยกเคลื่อนที่ไปมาได้เวลาจำาแ่าออกไปก็กําหนดดูที่อาการแข่งแข็งเหล่านั้นว่าเป็นธาตุดินอาการที่สองก็คือเรื่องของธาตุน้ำที่เรียกว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำก็ดูในส่วนของความไหลเอื้ออาบที่มีปรากฏอยู่ในกายนี้ทั้งภายในก็มีทั้งภายนอกก็มี เช่นพวกน้ำตาน้ำลายน้ำมันง้มไข่ข้อน้ำมูดน้ำเหงื่อเป็นต้นนี้ก็เป็นส่วนของธาตุน้ําลักษณะใดที่พัดผันไปมาได้คือเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งได้ลักษณะนั้นก็เรียกว่าธาตุลมมีอยู่ทั้งที่ส่วนภายในและเป็นส่วนภายนอกเจ้าลมหายใจ ล ม, ลมในท้องลมในไส้ลมตามตัวลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําจึงก็มีอยู่ทั้งส่วนที่เป็นภายในและส่วนที่เป็นภายนอกลักษณะอันใดที่ทํากายให้อบอุ่นทํากายสุดโสมทํากายให้กระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยลักษณะ น, นั้นก็กําหนดเรียกว่าเป็นธาตุไฟแต่การกปฏิบัติกรรมฐ า, านในสูตรกําหนดแยก ร่างกายออกเป็นาธาตุนั้นเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมหรับคนที่เรียกว่าพุท ธ, ธิจริตคือเจ้าช่างคิดช่างเหตุช่างมีเหตุมีผลไม่เชื่ออะไรง่ายไปก็สงสอนให้หยิบอาการเหล่านี้หรือกำหนดดูอาการเหล่านี้แล้วนำมาคิดนาวิเคราะห์นำมาตรวจสอบว่าเป็นไปยอย่างที่ทรงแสดงไวหรือไม่ โดยจุดเุ่งหมายก็คือเพื่อถ่ายถอนตัณหาเป็นหลักใหญ่เรากรรมฐานส่วนนี้เหมาะสมแก่คนที่มีตัณหาจริตแต่ในขณะเดียวกันพึงกําหนดรู้ไว้เป็นฐานใจเราะกรรมฐานประเภทอย่างนี้ถ้าหากว่าไปมนุิการโดยไม่แยบขายคือไปกําหนดไปพินิจพิจารณาโดยไม่แยบขายแล้ว ก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายได้เหมือนกันทอนนี้ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในก่อนพุทธกาลได้มีคำสอนระบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเรียกในตอนหลังว่าลักขวัตขีตตาเป็นการสาธยายแสดงให้เห็นถึงความจริงแห่งโลกในแง่ของแท้จริงแต่ละทิ้งส่วนที่เป็นสมมติสัจจะคือส่วนที่สมมติกัน ก็มุ่งหมายเอาในส่วนความจริงที่แท้จริงแต่ว่าใจของผู้เห็นผู้เข้าถึงนั้นก็ไม่ได้หลุดพ้นจากอานาจของกิเลสแต่ประการใดคือในชั้นของการปฏิบัติตามแนวของพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าผิดหลักเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นแต่ว่าเป็นความรู้เห็นที่ถูกตรงตามหลักของพระพุทธศาสนา จะต้องมีความสำคัญกับความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่มีความสงบขึ้นมีความสะอาดยิ่งขึ้นโดยลำดับกอ น, นี้เพิ่งเห็นตัวอย่างจุตูปปาตยานหรือที่ประจักษสุญานที่แปลว่าพยานที่ทรงรู้การจติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายจนมองเห็นสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในที่ไกลที่ใกลก้กัตา ด้วยจกักษุที่เป็นทิพย์ล่วงจกักษุของสาบรรยมนุษย์ซึ่งเว้นผลที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางจิตที่ผ่านขั้นตอนมาด้วยการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยลาดับจนจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นสมาธิสงบไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วท่านก็รู้ แต่ถ้าหากว่าใจยังไม่ถึงจะเกิดความรู้ขึ้นในลักษณะนี้กิเลสก็จะเกิดขึ้นควบคุมความรู้ก็ทำให้ใช้ตัวความรู้เหล่านั้นไปในทางที่ผิดได้แล้วก็ประสบความเสื่อมหรือเกิดเป็นอันตรายแกบุกคคลอื่นได้หลักการของพระพุทธศาสนาทุกขั้นตอนจึงมีความสัมพันธ์กันหมดเดยคือหมายความว่าเมื่อความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นใจก็จะอยู่ในสภาพอย่างนั้น เม่อใจอยู่ในสภาพอย่างนั้นจะไม่ใช้ความรู้ไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่จะใช้ความรู้ไปเพื่อผลประโยชน์แก่คนอื่นเป็นการอุเคราะห์เป็นการ เ, ราเกรเรื้อกูลโลกความรู้เหล่านี้จึงมีผลโดยศูนย์เดียวไม่มีโทษแต่ประการใดส่วนความรู้ที่เกิดขึ้นในก่อนพุทธกาลที่มีการเผยแพร่ ก, กันในตอนหลังแม้แต่พระองค์กุลิมานเถระก็เคยเข้าไปศึกษาใน ระบบความคิดเหล่านี้แล้วก็ทำทำให้ท่านสามารถฆ่าคนได้โดยไม่ตะกิดตะขวงใจแต่ประการใดท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะข้อสอนได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของธาตุเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วแต่เมื่อถือว่าเป็นธาตุทุกสิ่งก็เลยเป็นธาตุหมดไอ้ดาวก็เป็นธาตุคนฆ่าก็เป็นธาตุคนถูกฆ่าก็เป็นธาตุจึงไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าไม่มีการตายไม่มีผู้ตาย และไม่มีผู้ที่ทำให้ใครตายบาปบุญจึงไม่มีแล้วกลายเป็นประเภทที่เรียกว่าอุเฉตทิฏฐิหรือนัตถิกทิฏฐิซึ่งลักษณะของธรรมะในทางพระพุทธศาสนาอย่างที่ทราบแล้วว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางไม่ตกไปในด้านใดด้านหนึ่งทั้งสองด้านนั้นการมณสิการถึงธาต ที่มีปรากฏอยู่ในกายนี้มาระชุมมารวมกันก่อให้เกิดเป็นกายนี้โดยวัตถุประสงค์ก็คือเรียนรู้ความจริงที่ประกอบขึ้นเป็นเราเองและบุคคลอื่นก็จะมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วคนสัตว์สิ่งของต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดเป็นที่ตั้งแห่งความกัดเคืองรุ่งโรงมับเมาตลอดถึง ว่ป ร, ราฆ่าควันยื้อแย้งทำลายล้างกันนั้นแต่แท้จริงแล้วก็เป็นเพียงศักดิ์เทวดาธาตนนุนันเดกการฆ่าการเบียดเปลี่ยนกันนั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งทุกแห่งภัยแห่งเปลนด้วยประการต่างๆพระพุทธศาสนายอมรับถึงสองชั้นคือชั้นของสมมติสัจจะมีหลักกรรมกับหลักสังสารวัตรเป็นพื้นฐานที่สําคัญความเชื่อของบุคคล จะออกไปจะเข้าไปในเรื่องอะไรก็ตามจะต้องมีความรู้สึกยอมรับถึงกฎของกรรมกับกฎของสังสารวัฏอยู่ด้วยเพราะงั้นถึงแม้ว่ามองเป็นธาตุในชั้นนี้ยังมีบาปยังมีปุณดูงการกระทําของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดันของบาปปุลที่ตนกระทําคนก็จะละเว้นไม่ประพฤติไม่กระทําลักษณะที่จะนําความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นตั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่น ในด้านของจิตใจก็มุ่งที่จะสงบพวกกามฉันนิวรณ์เป็นหลักแต่การสงบกิเลสนั้นถึงเข้าใจว่าสงบในจุดใดก็ตามเนื่องจากกิเลสมีต้น ต, นตอนเดียวกันเมื่อสงบโลภะไปได้หรือสงบราคะไปได้กิเลสส่วนอื่นก็ชื่อว่าสงบตามไปถึงแม้จะไม่เต็มที่ก็ตามท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในความกำหนัดความยินดีของบุคคลนั้น เกิดขึ้นจากการกำหนดหมายที่อาศัยแรงผลักดันของสิ่งที่เรียกว่ากามาราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่เกิดขึ้นมาจากการกำหนดหมายที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงซึ่งจงใช้คำว่าวิปัลลาดคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านั้น ดังนั้น <c oughs> เมื่อกําหนดแยกแยะออกไปเช่นนี้บุคคลก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ที่จริงความสวยความงามที่ใจไปกําหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจนั้นเป็นการเกาะกลุ่มกันอย่างถูกสัดส่วนของสิ่งเหล่านั้น <c oughs> ใจจึงไปกําหนดหมายขึ้นและสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดกําหนดหมาย ก็คือราคะโลภะตัณหาตลอดถึงมานะทิฏฐิเป็นต้นเมื่อกำหนดพินิจพิจนารณาดูในแต่ละจุดโดยเพ่งพินิจในแต่ละส่วนของสิ่งเดียดนั้นคือในส่วนที่เป็นดินอาจจะมองรวมๆไปเลยคือทั้งกลุ่มของส่วนที่แข่งแข็งการดูก็คงดูด้วยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่เช่นเดียวกัน เฉพาะในส่วนที่เป็นดินกับเป็นน้ำส่วนที่เป็นลมกับเป็นไฟก็กำหนดดูที่อาการซึ่งสิ่งเหล่านั้นปรากฏอยู่ในแต่ละขณาซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้สิ่งเหล่านี้เองก็ประกอบขึ้นมาจากองค์ประกอบต่างๆที่ท่านใช้กรรมเหตุปัจจัยพอแยกย่อยออกไปแยกย่อยออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรแม้ส่วนของเนื้อเอง ะนส่วนของผมโคนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นอย่างที่จาแนกแสดงว่าเป็นส่วนธาตุดินพอย่อยไปแล้วมันก็ไม่มีสภาพอย่างนั้นเป็นเพียงอนุเป็นปรมาโนหายไปได้ในส่วนที่เป็นธาตุน้ำก็พอย่อยออกไปก็หมดนะ้ำแต่นั่นจะพบว่าในส่วนที่ละเอียดในระดับของอภิธรมเวลเรียนละเอียดขึ้นไปธาตุน้าจึงไม่มี ธาตุน้ำอย่างที่รู้กันว่าเป็นธาตุผสมต้องมีผสมทั้งสองส่วนจึงจะกลายเป็นธาตุน้ำได้เพราะย่อยออกไปจริงก็หมดธาตุน้ำก็ไม่มีธาตุลมเมื่อย่อยออกไปแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ละเอียดถ้ายไปไฟก็มีลักษณะอย่างนั้นซึ่งการเรียนรู้ตามแนวของธาตุเฉพาะในส่วนนี้ส่งเน้นไปที่การบรรเทาตัหาจริตดังกล่าว การกำหนดพินิจพิจารณาจึงต้องดูได้ในแต่ละจุดซึ่งอาจจะดูจากลมภายนอกลมภายในดูในแง่ของผลประโยชน์ดูในแง่ของโทษดูในแง่ของความปล่อยวางจากการยึดการถือในสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าในชั้นหนึ่งเราจะมองเห็นในแง่ของความเป็นคุณของความเป็นโทษ ดินน้ำลงไฟนั้นชีวิตของเราผูกพันกับดินน้ำลงไฟจนไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ในชั้นหนึ่งดินน้ำลงไฟจึงมีอุปกรณ์อย่างสูงเป็นตัวก่อให้เกิดเป็นรูปชีวิตสามารถดำรงกันอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันดินน้ำลงไฟที่รุนแรงไปไม่ว่าดินรุนแรงไปลมรุนแรงไปน้ารุนแรงไปหรือไฟรุนแรงไปก็ตาม ก็เป็นทางก่อให้เกิดโทษเกิดอันตรายนานาประการอย่างเช่นเกิดวาตภัยเกิดแผ่นดินถล่มเกิดแผ่นดินไหวเกิดไฟไหม้เกิดน้ําหลากเป็นต้นนี้ก็เป็นอันตรายจากดินน้ําลมไฟที่มีอยู่ในภายนอกเมื่อกําหนดดูในส่วนของร่างกายซึ่งเป็นภายในก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือสิ่งเหล่านี้ก็มีจิ้งมีจอนกันอยู่วันใดที่เกย่อนลงไปก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่ร่างกาย วันใดที่แก่มากเกินไปก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแกนร่างกายกลายเป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นความยิ่งและความหย่อนของสิ่งเหล่านี้คือการน้อยไปและมากไปของสิ่งเหล่านี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของดินน้ำลมไฟมามองไปมองมาก็จะมองเห็นในรูปของตรายลักเช่นเดียวกับมองอย่างอื่นคืออะไรคือการที่สิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้นมา ด้วยปัจจัยต่างๆเวลาแกยิ่งไปก็เสียแทงเวลาย่อนไปก็เสียแทง <Okay. S 2> ก่อให้เกิดเป็นทุกขเวทนาที่มีลมเป็นสมุทฐานมีดินเป็นสมุทฐานมีไฟเป็นสมุทฐานมีธาตุน้ำเป็นสมุทฐานเป็นต้นนี่แสดงให้เห็นถึงทุกขะสัตย์หรือทุกขตาความเป็นทุกขของร่างกายไอตัวความเปลี่ยนแปลงแปร ป, ปรวนยิ่งๆย่อนๆ ตรอถึงสม่ำเสมอแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยนั้นก็เป็นอาการของอนิจจั์พอนํามาย่อยนํามาพิิจพิจารณาออกไปแยกออกไปก็หาความเป็นสาระเป็นแกนสารอะไรไม่ได้คือท่านย่อยมาจากตัวเลยแล้วก็ย่อยออกเป็นธาตุสีแล้วแยกธาตุสีออกไปทีหนึ่งก็เอาแต่และจุดของของธาตุสีเหล่านั้นมาย่อยก็จะมองเห็นความไม่มีอะไร ในกายของตนและแน่นอนเมื่อมองเห็นความไม่มีอะไรในกายตนแล้วแม้ในกายของบุคคลอื่นแม้ในกายของสัตว์อื่นแม้ในสิ่งเหล่าอื่นก็ไม่มีอะไรเช่นเดียวกันสิ่งทั้งหมดจึงเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นในชั้นของการดำรงชีวิตจะทำให้บุคคลรู้จักระมัดระวังรักษา พวกธาตทั้งสี่ประการเอาไว้ไม่ให้กำเริบหรือไม่ให้ลดจอนลงไปเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกทรมานแก่ตนเองในชั้นที่มีความส ง, งบขึ้นไปยิ่งกว่านั้นกระนิดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่ไปกำหนัดยินดีเพลิดเพลินเริงหลวงไขว่คว้าสแสวงหากันนั้นแท้จริงมันก็เพียงแต่ธาตุแต่นั้นเอง ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ธาตุเหล่านั้นก็มีอยู่ในที่เราเหมือนกับมีอยู่ในสิ่งที่เราไปกําหนดรักใคร่ยินดีในชั้นที่สงบขึ้นไปกว่านั้นอีกหรือมองเหตุผลมองธาตุสี่ได้อย่างชัดเจนขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะสามารถบรรเทากิเลสประเภทที่เรียกว่ากามฉันคือความพอใจในสิ่งที่ตนใคร่ออกไปได้ ซึ่งประเภทของธาตุสี่พอจำแนกออกไปอีกชีนหนึ่งก็คืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบวงแห่งมารหรือเครื่องผูกพันแห่งมานนั่นเองพวกเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งของความกำนัดเป็นต้นทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกเพราะเมื่อมองเห็นทั้งส่วนที่เป็นภายในภายนอกทั้งโดยความเป็นโทษทั้งโดยความเป็นคุณ แล้วมองในแง่ของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นไม่ใช่ตัวใช่ตนก็จะมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของธาตุทั้งที่เป็นส่วนภายในทั้งที่เป็นส่วนภายนอกไม่ว่าที่ปรากฏที่ธรรมชาติหรือปรากฏที่คนที่สัตว์ที่สิ่งของต่างๆตลอดทึ้งปรากฏอยู่ที่ตัวเองแล้วก็มองเห็นทั้งความเกิดขึ้นของธาตุทั้งสประการนั้น ซึ่งทรงใช้คำว่ากายเช่นเดียวกันเพราะคำว่าการนั้นคือที่ประชุมที่รวมรวมของสิ่งที่ปฏิคูลต่างๆในภาษาด้านธรรมะหรือภาษาทางศาสนานั้นบางครั้งก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นรูปร่างอะไรคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเป็นสัตว์อะไรแต่ถ้าเกาะกลุมกันแล้วเป็นที่ประชุมของสิ่งนั้นๆ ก็รวมเรียกว่ากายแปลว่าที่ประชุมที่รวมลงของสิ่งที่ปฏิกูลน่ากเกลียดต่างๆดังนั้นก็มองเห็นทั้งกายที่เป็นภายในทั้งกายที่เป็นภายนอกว่าตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือในแง่ของความเป็นธาตุก็เป็นธาตุในแง่ของความปฏิกูลก็เป็นปฏิกูลด้วยกันในแง่ของความไม่มีสาระแกนสารอะไรก็ไม่มีสาระแกนสารอะไรด้วยกัน และในแง่ที่เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันจิตใจของบุคคลที่มองอยู่เห็นอยู่เช่นนี้ซึ่งว่าที่จริงในการมองนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมองในแนวไหนก็ได้นั้นที่เคยกล่าวมาแล้วว่าปัญหาเรื่องของไตรลักษณ์เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตา ซึ่งบุคคลอาจจะมองเห็นความไร้สาระแก่นสารของร่างกายพายอ ย, ย่อยไปย่อยไปย่อยไปก็หาอะไรไม่เจอคือหาความเป็นกายไม่เจอศักดิ์เวทธาตุดังกล่าวมันกลายเป็นของว่างของเปล่าไอาความยึดความถือที่เคยมีอยู่ในกายตนและกายบุคคล อ, อื่นในสัตว์ในสิ่งของอย่างอื่นก็จะบาบางลงไปอย่างพระพุทธธรรรัดที่สัตว์แก่พระโมคคราช หรืท่านมากราบทูลถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระค่าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จักมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือมองไม่เห็นโดยสรุปหมายความว่าจะเห็นโลกอย่างไรจึงไม่ตกสู่อำนาจของความตายพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าลูกกรมโราช เธอจึงมองโลกนี้ให้เห็นโดยความเป็นของว่างเปล่าคือไม่มีอะไรแล้วถอนอัตตาโนทิจิคือความเห็นว่าเราความเห็นว่าของเราความเห็นว่าตัวว่าตนของเราออกไปแล้วมัจจุราชคือความตายก็จะตามไม่ทันคือไม่มองไม่เห็นอีกต่อไปข้อนี้เป็นการเชื่อเห็นว่า การที่ชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏประสบความสุขความทุกข์ในสังสารวัฏเป็นช่วงยาวและแม้ในช่วงสั้นคือในแต่ละวันแต่แม้แต่ขณะของความคิดถ้าหากว่าบุคคลเพ่งพินิษดูจิตของตนก็จะเห็นความจริงว่า ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆตลอดถึงความโศกความร่ำไรําพันต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นก็เพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นจึงเศร้าโศกในเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเป็นต้นถ้าความรู้สึกว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราไม่มีหรือความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มี ไอ้ทุกตรมานต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างอุบัติเหตุต่างๆที่ร้ายแรงเกิดขึ้นซึ่งเป็นที่เศร้าโศกร้องไห้ร่ำไ ร, ร้รำพันของบุคคลทั้งหลายบางคนจนถึงก็สลบสลายไปแต่สมาบุคคลบางพวกซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราหรือไม่มีความรู้สึกว่าเป็นญาติของเราพ่อเราเพื่อนเราพี่น้องเรามิสหายของเราเป็นต้น ความทุกข์เหล่านั้นก็ไม่ได้มาพ้องผ่านอะไรนี่เป็นความเห็นได้พิจารณาได้จากช่วงสั้นของแต่ละขณะอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับการยึดการถือเอาถ้าไปยึดไปถือด้วยอัตตาคือความอัตตาโนทิจิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาจิตใจก็จะเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนแปลงในไปที่อะไรไปด้วยอํานาจของอภิชาในกรณีว่าของเราเปลี่ยนแปลงไปโทมนัตหรือโทสะในกรณีว่าไม่ใช่ของเราหรือว่าเป็นเขาแต่ถ้ารู้ถึงความจริงโดยนิยะที่ส่งสอนให้แสดงจิตก็จะมีหลักกาหนดหมายได้ตอนไหนที่เรื่องของสมมติก็ปฏิบัติตามสมมติเป็นโลกาณวัตคือคล้อยตามโลกได้ ในส่วนใดที่เป็นความจริงอย่างแท้จริงซึ่งเกิดขึ้นก็ทำใจได้สงบได้แม้จะอยู่ในโลกนี้แม้จะไม่เข้าถึงความจริงเหล่านั้นอย่างถูกต้องสมบูรณ์ด้วยความรู้ระดับที่เรียกว่าสัมมาปัญญ า, กกาตามแต่ปริมาณของสติสัมปชัญญะและความเปี่ยนที่ใช้ไปเพื่อการนี้ เพื่อดูธาตุที่มาประชุมกันเป็นกายตนและกายบุคคลอื่นอันมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกนั้นจะกลายเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจยอมรับความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นในแง่ของสมมุติบัญญัติและพร้อมที่จะปฏิบัติให้ถูกตรงตามหลักของสมมติบัญญัติในขณะเดียวกันใจก็จะไม่คล่องไม่ติดไม่วปตกกังวลห่วงใจ รู้จักปล่อยรู้จักวาง ร, รู้จักละรู้จักบรรเท่าเรื่องราวต่างๆที่บางเกิดขึ้นได้จะทาให้ความเป็นผู้ตื่นเพราะตัวสติอันเป็นธรรมะหลักที่ทำให้บุคคลตื่นอยู่ทุกเมื่อไม่หลงไหลไม่หลับไหลไม่เลอะเลือนอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นจิตก็จะได้หลักซึ่งพร้อมที่จะเป็นปฏิปทา นำไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้และตามป้ามายที่ทรงแสดงไว้ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นต้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป